ปาริเชศที่เกพรมวิหานิเทศวิธีภาวนาปรมวิหารสี่วิธีที่หนึ่งเมตตาภาวนาอธิบายสัพท์คำว่าโยคีหรือโยคาวจรเป็นชื่อเรียกผู้ทำความเพียรทั่วไปโดยเฉพาะใช้เรียกผู้เจริญกรรมฐานทั่วไปคนภายนอกพุทธศาสนา ทำความเพียรทรมานตนเพื่อให้บรรลุมักผลนตามลัทธิของเขาก็เรียกว่าโยคีหรือโยคาวะจรเหมือนกันปริโพธคือความกังวลสิบนั้นได้แก่ความกังวลในที่อยู่ในตระกูลอุปถากในลาบสการะในหมู่คณะในการงานในการเดินทางในหมู่ญาติในการเจ็บป่วยในการเรียน ในการแสดงฤทธิ์หรือทำของขลังความพิสดารคือรายละเอียดทั้งหมดนั้นอยู่ในกรรมฐานขาหนธนิเทศเช่นเดียวกับกิจเบื้องต้นที่จำต้องทำก่อนเจริญกรรมฐานก็มีในกรรมฐานขาหนธนิเทศเช่นเดียวกันในพรหมวิหารสี่อย่างนั้นคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั้น ในระหว่างอนุสติกรรมฐานที่แสดงไว้แล้วเมื่อโยคีบุคคลผู้แรกเริ่มทำกรรมฐานประสงค์จะเจริญเมตตาพรหมวิหารข้อแรกให้บังเกิดมีขึ้นในจิตสันดานของตนเบื้องต้นต้องตัดปริพภ o คือความกังวลสิบประการให้สิ้นห่วงเสก่อนครั้นแล้วจึงไปเรียนเอาวิธีเจริญเมตตากรรมฐานในสานักของอาจารย์ ให้เป็นที่เข้าใจพอที่จะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้ครั้นแล้วเมื่อจะเริ่มปฏิบัติพึงบริโภคอาหารให้อิ่มหนำสำราญพอแก่ความต้องการและบรรเทาความง่วงอันเกิดแต่การบริโภคนั้นให้สั่งหายก่อนลำดับนั้นพึงไปนั่งขัดสมาธิอย่างสบายณนะอาสนะซึ่งได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้าตรงที่อันสงัด ปราศจากเสียงรบกวนและไม่มีคนพลุกพล่านไปมาโดยเอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วประการแรกจงพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและอนิสงของขันติอย่างเด่นชัดเสียก่อนถามเพราะเหตุไรจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและอนิสงของขันติก่อนตอบ เพราะการเจริญเมตตาพรหมวิหารนี้ความประสงค์ก็เพื่อที่จะสลัดทิ้งเสียซึ่งความโกรธและให้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณเป็นจุดหมายสำคัญประกอบด้วยมีกฎความจริงอยู่ว่าใครๆก็ตามย่อมไม่อาจสลัดทิ้งซึ่งโทษที่ตนไม่ได้เห็นและไม่อาจที่จะบรรลุถึงซึ่งอนิสงส์ที่ตนมิได้รู้มาก่อนเพราะฉะนั้น ก่อนแต่จะลงมือเจริญเมตตากรรมฐานโยคีบุคคลจึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธเสียก่อนทั้งนี้โดยอาศัยนยะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาทิเช่นอาวุโสคนที่โกรธขึ้นมาแล้วถูกความโกรธครอบงำแล้วมีจิตอันความโกรธยึดครองไว้แล้วยอมอาจล้างผลาญชีวิตของกันและกันได้ทีเดียว และต้องพิจารณาให้รู้อานิสงค์ของขันติทั้งนี้โดยอาศัยในยะที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลักอาธิเช่นขันติคือความยับยั้งใจไว้ได้เป็นธรรมะเครื่องเผาบาปให้เหือดแห้งชั้นเยี่ยมเรายกย่องบุคคลผู้มีขันติเป็นกำลังมีขันติเป็นกองทัพว่าเป็นพรามคุณธรรมที่จะเป็นเครื่องป้องกันความชิบหาย และนำไปซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอื่นที่จะประเสริฐวิเศษยิ่งไปกว่าคันตินั้นย่อมไม่มีต้องรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนาก่อนเมื่อได้เห็นโทษของความโกรธและรู้อนิสงของคันติแล้วดังนั้น คราวนี้ก็ถึงวาระที่โยคีบุคคลจะพึงเริ่มเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อประโยชน์ที่จะข่มจิตให้พ้นจากความโกรธซึ่งมีโทษตามที่ได้พิจารณาเห็นมาแล้วและเพื่อประโยชน์ที่จะประกอบตนไวในขันติคุณซึ่งมีอนิสงส์ตามที่ตนได้รู้ประจักษ์มาแล้วต่อไปแต่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตินั้น จำต้องรู้คนที่เป็นโทษแก่เมตตาภาวนาอีกก่อนว่าบุคคลจำพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงในอันดับแรกไม่ได้บุคคลจำพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงไม่ได้เลยตลอดการดังต่อไปนี้ห้ามเจริญเมตตาในคนสี่จำพวกเป็นอันดับแรกมีมาตรฐานอยู่ว่า เมตตาภาวนานี้ห้ามไม่ให้โยคีบุคคลจเจริญเป็นในบุคคลสี่จำพวกนี้เป็นอันดับแรกคือคนที่เกลียดชังหนึ่งเพื่อนที่รักมากหนึ่งคนที่เป็นกลางกลางหนึ่งคนที่เป็นคู่เวรกันหนึ่งส่วนคนต่างเพศกันห้ามมีให้จเจริญเมตตาไปโดยจำเพาะเจาะจงและคนที่ตายแล้ว ฮามีให้เจริญเมตตาไปถึงเลยตลอดการเพราะเหตุไรบุคคลสี่จำพวกมีคนที่เกลียดชังกันเป็นต้นจึงห้ามีให้เจริญเมตตาไปถึงเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อโยกีบุคคลเจริญเมตตาโดยเพ่งเอาคนที่เกลียดชังมาตั้งไว้ในฐานะเป็นคนที่รักนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ลำบากใจมาก เมื่อจะเพ่งเอาเพื่อนที่รักมากมาตั้งไว้ในฐานะเป็นคนกลางๆ ก, ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นเดียวกันแม้เพียงแต่เขาได้ประสบทุกนิดหน่อยก็เป็นเหตุให้โยคียบุคคลถึงกับเสียใจร้องไห้ได้เสียแล้วเมื่อจะเพ่งเอาคนที่เป็นกลางๆมาตั้งไว้ในฐานะเป็นครูและเป็นที่รักเล่าก็ย่อมจะเป็นการยากแก่ใจทำนองเดียวกัน และเมื่อเราลึกถึงคนที่เป็นคู่เวรกันความโกรธแค้นก็จะเกิดขึ้นมาเมตตาภาวนาย่อมบังเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยประการชนนี้จึงห้ามมิให้เจริญเมตตาไปในคนที่เกลียดชังเป็นต้นเป็นอันดับแรกห้ามเจริญเจาะจงในคนต่างเพศในกรณีที่คนต่างเพศกันนั้น เมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปโดยเจาะจงคือเพ่งเอาคนต่างเพศนั้นมาเป็นอารมณ์โดยเฉพาะราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศก็จะเกิดขึ้นมาแทนเมตตาภาวนาไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้เคยมีตัวอย่างมาว่าบุตรอมตคนหนึ่งเรียนถามพระเทระที่ตนอุปถาคว่าพระผู้เป็นเจ้าก็รับ เมตตาภาวนานี้จะต้องเจริญให้บังเกิดแก่ใครจึงจะดีพระเถระให้คำตอบว่าต้องเจริญให้บังเกิดในคนที่รักจึงจะดีคุณโยมก็ภริยาของเขาเองเป็นที่รักของบุตอมานั้นเขาจึงได้เจริญเมตตาภาวนาไปในภริยาของเขานั่นเองผลจึงปรากฏว่าเขาได้ทำการรบกับฝาเรือนตลอดคืนยันรุ่งทีเดียว ด้วยประการชนนี้จึงห้ามมิให้เจริญเมตตาโดยเจาะจงในคนต่างเพศมายเหตุผู้อ่านสำหรับคนที่มีจิตชอบเพศเดียวกันก็ควรจะหมายถึงห้ามพิจารณาในคนเพศเดียวกันในแบบที่เจาะจงบุคคลด้วยเช่นกันห้ามเจริญในคนตายแล้วตลอดกาล ในกรณีคนที่ตายแล้วเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปถึงคนที่ตายแล้วเขายอมไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิหรือแม้เพียงขั้นอุปจารสมาธิได้เลยเคยมีตัวอย่างว่าภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้เจริญเมตตาภาวนาโดยเพ่งเอาพระอาจารย์มาเป็นอารมณ์แม้เธอจะได้เพียรเจริญสักเท่าไหร่ เมตตาชานก็ไม่ได้บังเกิดขึ้นแก่เธอทั้งทั้งที่เคยทาได้อย่างชำนิชนานาญมาก่อนแล้วเธอจึงได้เปเรียนถามพระมหาเถระว่าได้เท้าขอรับกระผมเคยเจริญเมตตาชานได้อย่างชำนิชนานาญมาแล้วแต่บัดนี้กระผมไม่สามารถจะเข้าสู่เมตตาสมบัตินั้นได้จะเป็นด้วยเหตุอะไรหรือขอรับพระมหาเถระแนะนว า, าว่าอุโส เธอลองตรวจดูอารมณ์กรรมฐานที่เธอจเจริญเมตตาไปถึงนั้นว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือหาไม่แล้วเมื่อภิกษุนั้นตรวจดูอารมณ์กรรมฐานก็ได้ทราบว่าพระอาจารย์ได้ถึงแก่โมรณภาพไปเสียแล้วจึงได้เปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานใหม่เมื่อเธอจเจริญเมตตาภาวนาโดยเพ่งเอาคนอื่นมาเป็นอารมณ์จึงได้สาเร็จเมตตาสมาบัต สมดังประสงค์ด้วยประการชนนี้จึงห้ามมิให้เจริญเมตตาไปในคนที่ตายแล้วตลอดกาลเจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรกโยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาภาวนาไปในตนของตนเป็นอันดับแรกก่อนกว่าบุคคลทั้งปวง โดยภาวนาแต่ในใจซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งนี้จนกว่าเมตตาจิตในตนจะปรากฏอย่างเด่นชัดด้วยคำภาวนาว่าอาหังสุขิโตโหโมินิทุกโขโหโมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดจงอย่าได้มีความทุกข์เลยหรืออีกแบบหนึ่งว่าอเวโรหโหมิอพพยาปโชโหโมิอนิโคโหโมิ สุขีอัตตานังปริหารามิขอข้าพเจ้าจงอย่ามีเวรกับใครๆเลยขอข้าพเจ้าจงอย่าได้เบียดเบียนใครๆเลยขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์เลยขอข้าพเจ้าจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดมติขัดแยง้งหากมีมตติขัดแย้งว่า ถ้าถือหลักที่ว่าต้องเจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรกเช่นนี้แล้วคำพระบาลีในคำพีต่างๆดังจะยกมากล่าวต่อไปจะมิเป็นการคลาดเคลื่อนไปหรือเพราะในพระบาลีนั้นๆท่านมิได้กล่าวถึงการเจริญเมตตาในตนเองเลยเช่นในคำพีวิพังปรกรณ์แห่งพระอภิธรรมปิดกว่าภิษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่ไมตรีจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่นั้นหมายความว่าใครหมายความว่าภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตานั้นแผ่ไมตรีจิตไปยังสัตว์ทั้งหลายทุกจำพวกเหมือนกับที่ได้เห็นคนอื่นคนหนึ่งซึ่งรักใคร่ชอบพอกันแล้วก็เกิดเมตตารักใคร่กันขึ้นฉะนั้นในคาพีปฏิสัมพิธามัก แห่งพระสุตตันตปิฎกว่าเมตตาเจโตวิมุตตที่แผ่ไปโดยเม่เจาะจงบุคคลด้วยอาการห้าอย่างนั้นมีบทภาวนาว่าอย่างไรภาวนาว่าอย่างนี้คืออาการที่หนึ่งภาวนาว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่าได้มีความทุกข์เลย ขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดอาการที่สองภาวนาว่าขอปานะทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาการที่สามภาวนาว่าขอพูดทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเป็นต้นอาการที่สี่ภาวนาว่าขอบุคคลทั้งปวง จงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาการที่ห้าภาวนาว่าขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงอย่าได้มีความทุกข์เลยขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดและในกรณียเมตสูตรแห่งคำภีกุตกะปาฐาว่ากุลบุตร พึงแผ่ไมตรีจิตไปในสัตว์ทั้งปวงว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขจงมีความเกษมสำราญจงมีตนเป็นสุขเถิดฉชนนี้คำถแถลงแก้มติขัดแยง้งวิสัชนาว่าคำพระบาลีในคำพีต่ต่างๆดังที่ยกมานั้นมิได้คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อย เพราะเหตุไรเพราะว่าที่ในคำภีต่างๆซึ่งท่านแสดงแต่การแผ่เมตตาไปในบุคคลอื่นๆทั้งนั้นมิได้แสดงการแผ่ในตนเองเลยนั้นท่านมุ่งแสดงถึงวิธีเจริญเมตตาภาวนาที่จะให้สำเร็จผลถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ประการเดียวส่วนที่ว่าต้องเจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรกในที่นี้นั้น หม่เอาวิธีเจริญเมตตาภาวนาครั้งแรกซึ่งจำต้องยกเอาตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานก่อนว่าสัตว์ทั้งหลายทุกชนิดย่อมปรารถนาความสุขให้แก่ตนของเขาเหมือนกับเรานีิเทียวฉะนั้นเราจึงต้องช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยบำรุงสุขให้แก่สัตว์อื่นเหมือนทำให้แก่ตนเองทุกประการจริงอย่างนั้นเถียว ถ้าแม้นว่าโยคีบุคคลจะเจริญเมตตาในตนโดยภาวนาวิธีเป็นต้นว่าอาหังสุขิโตโหมิขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดภาวนาอยู่อย่างนั้นตั้งร้อยปีพันปีก็ตามอปปนาสมาธิหรือฌานสมาบัติจะไม่บังเกิดขึ้นแก่เขาเลยแต่อย่างไรก็ดีความเห็นแก่ประโยชน์สุขของสัตว์อื่น ย่อมจะเกิดขึ้นแก่เขาโดยแท้เพราะเหตุที่ยกเอาตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานว่าแม้สัตว์อื่นๆทั้งหลายเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์และอาลัยในชีวิตไม่อยากจะตายเหมือนกับเรานี่แหละแม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสเตือนไว้ซึ่งปรากฏในคำพีสังยุตตนิกายสักขารวักว่าบัณฑิต ได้คิดค้นคว้าดูไปจนทั่วทุกทิศแล้วก็มิได้เห็นคนอื่นใดหน้าทิตไหนไหนที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของตนตนของแต่ละบุคคลทุกจำพวกย่อมเป็นที่รักมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเขาแม้ที่สุดจนถึงมดและปลวก จเจริญเมตตาในคนที่รักเมื่อโยคีบุคคลได้จเจริญเมตตาในตนเพื่อให้สำเร็จเป็นสักขีพยานเป็นอันดับแรกด้วยภาวนาวิธีดังแสดงมาชนี้แล้วต่อไปพึงจเจริญเมตตาไปในคนที่รักหรือคนที่เคารพเป็นอันดับที่สองก็แลก่อนจ ะ, จะเจริญเมตตาในคนที่รักหรือที่เคารพนั้น เพื่อที่จะพยุงเมตตาภาวนาให้เกิดขึ้นโดยง่ายโยคีบุคคลจงระลึกถึงคุณธรรมอันเป็นเหตุชวนให้เกิดความพอใจเช่นการให้ปันลาบการเจรจาไพเราะหรือระลึกถึงคุณธรรมอันชวนให้เกิดความเคารพและความสรรเสริญเช่นความมีมารยาทงามการมีความรู้อยู่อย่างกว้างขวางของพระอาจารย์หรือท่านผู้เสมอด้วยพระอาจารย์ และของพระอุปชาหรือท่านผู้เสมอด้วยพระอุปชาซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจหรือเป็นที่น่าเคารพน่าสรรเสริญของตนเป็นเบื้องต้นซะก่อนครั้นแล้วจึงเจริญเมตตาไปในท่านผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนั้นต่อไปด้วยบทภาวนาว่าเอสสะสปุริโสสุขิโตโหตุมิทุโขโหตุ ขอท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นจงมีความสุขเถิดจงอย่ามีความทุกข์เลยหรืออีกแบบหนึ่งว่าเอ ส, สั ป, ปุริโส อ, อเวโรโหตุอพยาปโชโหตุ อ, อนิโคโหตุสุขีอัตตานังปาริหะรตุขอท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นจงอย่ามีเวรกับใครๆเลยจงอย่าได้เบียดเบียนใครๆเลย จงอย่าได้มีความทุกข์เลยขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิดทั้งนี้โดยการเพียนภาวนาซ้ำแล้วซ้ำเล่าร้อยครั้งพันครั้งหรือจนกว่าอัปปนาสมาธิหรือเมตตาฌานจะบังเกิดขึ้นเจริญเมตตาในเพื่อนรักมากเป็นต้น แม้ว่าอัปปนาสมาธิจะได้สำเร็จขึ้นเพราะเหตุที่ได้เจริญเมตตาภาวนาไปในบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเช่นนั้นแล้วก็ดีแต่โยคีบุคคลก็อย่าได้พอใจด้วยเหตุที่ได้สำเร็จผลเพียงเท่านั้นจงปรารถนาที่จะทำเมตตาให้เป็นสีมาสำเพ็ต่อไปอีกคือการทำลายขอบเขตเมตตาไม่ให้มีจํากัดอยู่เฉพาะแต่ในบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง กล่าวคือถัดจากคนที่รักที่เคารพนั้นโยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาไปในเพื่อนที่รักมากเป็นลำดับที่สามถัดนั้นพึงเจริญไปในคนที่เป็นกลางๆเป็นลำดับที่สี่ถัดนั้นพึงเจริญไปในคนที่เป็นคู่เวรกันเป็นลำดับที่ห้าโดยเพียรภาวนาไป จนกว่าเมตตาจะบังเกิดเป็นคุณภาพอย่างสม่ำเสมอกันในบุคคลสี่จำพวกคือตนหนึ่งคนที่รักหนึ่งคนที่เป็นกลางกลางหนึ่งและคนที่เป็นคู่เวรกันหนึ่งข้อนี้ส่งเคราะห์คนที่รักกับเพื่อนที่รักมากเป็นประเภทเดียวกันเพราะตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่รักเหมือนกัน ในทางปฏิบัติเมื่อโยคีบุคคลได้เจริญเมตตาไปในคนเป็นที่รักจนสำเร็จถึงขั้นอั ป, ปนาชาแล้วทำชาณาจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานโดยทำให้ชํนานาด้วยว่าสีห้าแล้วถัดนั้นจึงข่มจิตที่มีภาวะรักมากในเพื่อนที่รักมากนั้นให้ลดลงมาตั้งอยู่ในภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดา แล้วเพียรภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอาธิว่าเอสอิตติปิยสหายะโกสุขิโตโหตุนิทุกโขโหตุขอเพื่อนที่รักมากนั้นจงมีความสุขเถิดจงอย่ามีความทุกข์เลยทั้งนี้โดยซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าเมตตาภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกัน รันแล้วทำชานจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานโดยทำให้ชํานาด้วยวสีห้าถัดนั้นจึงพยุงจิตที่มีภาวะเฉยๆในคนเป็นกลางๆขึ้นสู่ภาวะความรักอย่างธรรมดาแล้วเพียรภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอาธิว่าเอสะมัชโตสุขิโตโหโตุนิกทุโขโหโตุ ขอคนผู้เป็นกลางๆนั้นจงมีความสุขเถิดจงอย่ามีความทุกเลยทั้งนี้จนกว่าภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกันครั้นแล้วทำฌานจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแกการงานโดยทำให้ชำนาญด้วยว่าสีห้าถัดนั้นจงข่มจิตที่คิดจองเวรให้คนคู่เวรกันนั้น ให้เหลือนหายกลายเป็นภาวะกลางๆางแล้วยกขึ้นสู่ภาวะเป็นความรักธรรมดาแล้วภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอาทิว่าเอสะเวรีป e ุคโลสุขิโตโหตุนิทุกโขโหตุขอคนคู่เว น, นั้นจงมีความสุขเถิดอย่าได้มีความทุกเลยทั้งนี้โดยเพียรภาวนาไปจนกว่า ภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกันนั่นเทียววสีห้าหมายถึงความสามารถในหน้าที่ห้าประการของฌานลาภีบุคคลคือหนึ่งอาวัชนะวสีสามารถพิจารณาองค์ฌานด้วยอาวัชนะจิตสสมาปัชนาวสีสามารถในการเข้าฌาน 3. อธิฐานวสีสามารถในการกำหนดเวลาเข้าฌาน 4. วุธานวสีสามารถในการกำหนดเวลาออกฌาน 5. ปัจเจเวขณะวสีสามารถพิจรารณาฌานด้วยชาวนาจิตโยคีผู้ไม่มีคนคู่เวร ส่วนโยคยีบุคคลผู้ไม่มีคนเป็นคู่เวรด้วยอำนาจวาสนาบารมีในชาติก่อนตามมาสนองหรือด้วยไม่ได้ประพฤติความเสียหายให้เป็นที่ระคายเคืองแก่ใครๆในชาติปัจจุบันหรือด้วยเหตุที่เป็นมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยอันกว้างขวางเพราะเป็นผู้สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมคือคันติเมตตาและกรุณาที่ได้สังสมมาแต่ชาติ่อนก่อน แม้ในเมื่อมีคนอื่นทำความเสียหายให้ก็มิได้โกรธเคืองด้วยเป็นผู้อดกลั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สำคัญเห็นความผิดของคนอื่นยิ่งไปกว่าเส้นญาอัญโยคีบุคคลผู้มีคุณลักษณะเห็นปานชนีไม่จำต้องที่จะขวนขวายในประการที่ว่าถัดจากคนที่เป็นกลางกลางไปให้เจริญเมตตาในคนคู่เวรกัน ข้อนั้นท่านแสดงไว้เฉพาะแก่โยคีบุคคลผู้มีคนที่เป็นคู่เวรกันเท่านั้นด้วยประการชนนี้